ขอข้อคืนนี้เนื่องจากว่าคืนนี้เป็นวิสาขาบูชานะคะพระอาจารย์ก็เลยอยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าพระพุทธเจ้าตัดสรุอะไรครับในค่าคืนสิบห้าค่เดือนหกครับผมก็ตัดสรุพระอริยสัจสีนี่ครับคือทุกที่เกิดจากความเกิดแก่จิตตายเกิดการทัการพจากทากนนี้องทงพบว่าสาเหตุก็เกิด สมุทยัยสมุทยัยเป็นสาเหตุคือได้แก่กามากัดตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาและทรงค้นพบทางที่จะทําให้ทุกที่เกิดจากการเกิดแก่จิตายนี้ดับไปได้เป็นพม่ามัดที่มีองแปรถ้าใครสามารถแสดงมัดที่เป็นองแปรให้ครบบริบูรณ์ก็สามารถที่จะละตัณหาทั้งสาม การมรัคนานะราวะฐานะที่ภาวะฐานาให้หมดสิ้นไปจากใจได้กา่มรรคฐานะภาวะฐาหาที่ภาวะฐาหาถูกกาจัดด้วยมรรคที่มีองค์แปดแล้วสิ่งที่จะดึงให้ติไปเกิดใหม่ก็จะไม่มีต่ไปภพในชาตินี้ก็จะเป็นู้สุดท้ายชาติสุดท้ายของผู้ที่ปฏิบัติรักแปดได้แล้วรักแป ย่อลงมาก็คือศีลสมาธิาาสัมยาหรือทานศีลปลอยะที่พวกเราศึกษากันและพยายามปฏิบัติอย่างนี้เป็นเครื่องมือที่จะทาให้เรามีกําลังที่จะละความอยากทั้งสามที่เป็นตัวข่อภพก่อชาติตัวอิจฉาจิตให้ เ, เกิดในใจพบได้นี่คือสุดที่วิช า, าสมถะศิลปที่ไม่มีใครรู้มาก่อนแน้ว ผู้ที่มาเรียนลหานเกิดในตายครุนี้ไม่รู้ว่าตวเอนนี้ติดอยู่ในตายครุนี้ได้และไม่รู้ว่าจะทาให้ตัวเองหลุจากตายครุฑนี้ได้เป็นการจะมีผู้ที่รจรจาอย่างพระ พ, พทุทธเจ้ามาลงค้นพบทางคือมรรคแปดอย่างที่จะนำให้สู่กรสุองอย่าง ป, าปูจารุบาคือการเรียนลหวานคกิ สังสารวัดในไส่พวกนี้นที่เสื่อมที่พระเจ้าทรงตรัสรู้ถ้าหลังจากที่ได้ทรงตรัสรู้แล้วก็นํำธรรมาคผยแผ่ทำสอนให้แก่ส่งโลกอย่างพวกเราเพื่วพวกเราจะได้รู้เรื่องจิตใจของเราว่าเป็นอย่างไรคนส่วนใหญ่ถ้าไม่มีธรรมะทำสอนของพระเจา้าไม่รู้ว่าเราเกิดมาเกิดมาได้อย่างไรและตายไปแล้วเราจะไปไหนต่อ เราจะไปที่สูนยี่เราจะเปเกิดใหม่นี่เราจะเป็นอะไรเราไม่รู้อะไบรรยากาศเป็นหนึ่งพระพุทธเจ้ามา ส, งส่งแบบนี้เห็นวิธีของจิตที่จะดำเนินไปในทิศทางไต่อไปื่อสิ่งที่พระเจ้าสรงแบบนี้ีาเป็นธรรมที่ไม่มีใครรู้มาก่อนอริยสัจสี้เป็นสิ่งที่ พระพุเจ้าผูองเดียวเป็นผู้ทรงค้นพบศาสาหลังจากสรงคนพบแล้วก็นำออกมาเผยแพ่ผู้ที่มีศรัทธาความเชื่อความศรัทธานไปปฏิบัติสามารถทาจัดความอยากทั้งสามห้หมดใปดาหน้นผู้นั้นก็จะจบรรลุเป็นพระวา เป็นผู้ที่ไม่มีความา ร, าวารึกหกความกดความหลงเนี้อการมาสันหารภาวะสันหารฤทธภาวะสันารลงเรืออในใจยังไม่มีตัวที่จะมาฉุดลากในใจนี้ไปเกิดตอนน่อไม่ว่าจะไปเกิดเป็นในการมาพบเปนมาลส์เป็นเทพหรือเป็นเกรตหรือเป็นสารพินาชันหรือไปเกิดในภพของลม ที่เรารารูปร้ประทกและราปรทุกถ้าไม่มีวันสับสนในภูมเหล่านี้ต่อไปาสามารถํำจัดกัญหาวิปรวาปัาให้หมดไปสแกนได้นี่คือความวิเศษของพระพุทธเจ้าถ้าไม่มีพระพุเทเจ้านี้พวกเราจะไม่รู้ทางวิถีการดำเนินของจิตใจของเราว่า ตายไปแล้วเราจะไปไหนต่อเราจะไปที่ไหนเราจะไม่ไปที่ไหนคนส่วนใหญ่นี่จะคิดว่าตายแล้วจบตายแล้วสุดเพราะเขาคิดว่าตัวเขาคือร่างกายซึ่งความจริงแล้วร่างกายนี้เป็นเพียงเครื่องเดียวของชีวิเครื่องหนึ่งคือผูขอผข้ขับร่างกายนี้ผู้ขับขับร่างกายนี้ ให้ทำอะไรต่างๆนี้ผู้นี้ไม่ได้ตายไปแล้วนะผู้นี้ที่ เ, เราเรีกจิตใจนี้แหละที่เป็นผู้ที่ถูกความอยากเสี้งขับให้ไปเกิดขับดันให้ไปเกิดไปเพื่อจะได้เศษตามเศษลูกสียงจิตวิสต่างๆไปเรื่อยๆเมื่อเกิดแล้วก็ต้องมาเจอสิ่งที่ไม่ปราถนาไป็าานพางแฉพังเสพพตาย ควพลาาอย่าง น, น้เลยต้องมาทุกกันกลายกลัวลกันี่ต้อนกังวลกันเข้าสู่เสียงชัยเวลาเกิดความแก่ความเจ็บความไา้ความพลาพลาดอั่านีน้แ่พอได้มาได้พบกพบาาับพระพุทธเจ้าตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสอนที่ทรงบรรัญญัติไว้ในพระไตรปิหรือเจอพระอริยสงสารวงของพระพุทธเจ้า ผู้ได้พบทางผู้ได้ปฏิบัติมักคแปดจนสมบูรณ์ท่านก็จะสามารถที่จะนามักคแปดนี้มาเผยแผร่ทาสวรให้กับพวกเราที่ไม่รู้เพื่อพวกเราจะได้นำมาปฏิบัติแล้วจะทำให้เราได้ยุติการเล่นว้ายตายถิดออกไปอันนี้คือเรื่องสั้นๆที่เกี่ยวกับวันวิสาขบูชา วันตัดสนส่วนอีกสองวันนั่นก็เป็นเพียงส่วนประกอบคือวันพระสูตวันพระสูตรแล้วก็วันสละละวันวันวันธละขันธ์วันเฉจตัดขับคําจาปนรณิพานควาจริงคนเราอาจจะฟังแล้วคิดว่าพระพุทธเจ้ายังไม่นิพานรอนิพานตอนหลอนตายควจริงพระพุทธเจ้าถึงนิพานในคืนวันเพ็ญวันเพ็ญเดือน6 ในขณะที่มีปราชนป้าอายุสามสิบห้าปีด้วยกันพระพุทธเจ้าถึงนิพพานแล้วอางที่เราใช้คําว่านิพพานแทนคําตายของพุทธเจ้าก็คือเรานิยมงจะไม่ชอบใช้คําว่าตายเาชอบหาคำที่วงถึงจุดของผู้ที่ไปหลังจากที่ตายแล้วพระพุทธเจ้าป้าหลานท่านหลังจากที่ท่านได้ท่านก็ไปนิพพาน เหมือนผู้มีพลมีกุสลเป็นพราชามาหากษัตริย์ท่านก็ไปสวรรค์เขาเรียกว่าสวรรค์นะคุณแต่ความจริงข้าหมายถึงว่าหลังจากที่ตายไปแล้วทั้นไปที่ไหนมันจะเข้าใจไหมครับผมเข้าใจนิพพานยังมีอยู่สองลักษณะด้วยกันนิพพานในขณะที่ยังคลองขันอยู่แล้วก็นิพพานในขณะที่ปราศจากขันแล้วคือรูปปรั ครับพอาจารย์ครับเข้าใจครับเสียงใช้ได้ครับพระอาจารย์ครับมี่ผู้ชมฟังกันอยู่พันสองร้อยกว่าคนนะครับพระอาจารย์อาจารย์ครับเงินพอผมผมผมติดตามไปรับคดีหน่อยก็ไม่เป็นไรครับพระอาจารย์จะไม้ตาตอบคาถามด้วยได้ไหมครับพอาจารย์ครับได้แต่เดี๋ว่าเราเป็นดีเลย์นิดหน่อยนะคุณหมอเวลาเราพู่อะไรแล้วอาจจะรอจังหวะรอจังว ดีเล่นนิดหน่อยนะวะเวลาคุณมาคุณกลับมาก็รอทั้งนี้ครับพระอาจารย์ครั บ, รบอย่างนั้นผมอ่านคําถามแรกจากเพื่อนเพื่อนนะครับเพื่อนๆถามว่าคุณจริยวัตรครับถามส่งคําถามเข้า ม, มาได้เลยครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาหารหันต์ปัญญาวิมุตติกับจิตตะวิมุตตองค์ไหนสูงกว่าครับผมคือพระพุทธเจ้าทรงยกปัญญาวิมุตต์สูงกว่าจิตตะวิมุตต คือปัญญาวิมุตต์คือผู้ที่เก่งทางด้านปัญญาจิตาวิมุตตินี้คือท่านผู้เก่งทางด้านอภิญญาเช่นภาษารีบุตรทรงยกย่องให้เป็นฝ่ายขวาอัครสาวกขวาของพระพุทธเจ้าเหมือนพระโมกขลานะนี่ทรงยกให้เป็นอัครสาวกฝ่ายซ้ายที่ท่านเก่งทางอภิญญาแต่ไม่ได้หมายความว่าทั้งสองรูปนี้ไม่มีปัญญาหรือไม่ ม, ไ ม, มีไม่มีพลังจิตท่านมีแต่ว่าท่าน ท่านเก่งไปแทน่นะทางด้านไหนภาษาลิบุตรนี่เก่งทางด้านปัญญาทางแสดงธรรมพระโมคคัลลานะเก่งทางด้านอิทธิฤทิปาฏิหารต่างๆแต่ทั้งคู่ก็มีศีลสมาธิปัญญาที่จะพอที่จะทำให้ท่านได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้เหมือนกันครับผมคำถามถัดมานะครับ ผมพยายามปฏิบัติให้ก้าวหน้าเพราะรู้สึกว่าตนเองฟุ้งซ่านมากเกินไปกินเยอะและอ้วนเกินไปจึงพยายามปฏิบัติลดอาหารออกกำลังกายและทำเรื่องไร้สาระให้น้อยลงรู้สึกว่าได้ผลบ้างแต่สุดท้ายแล้วก็มักกลับมาเครียดและกดดันมากกว่าทำไมเรายังไม่ดีพอสับกับเราทำเกินไปเครียดเกินไปหรือไม่ขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยชี้แนะผมด้วยครับคือกาลังของเราที่จะสู้กับ กิเลสมันยังมีน้อยนั่นเองถึงแม้เราจะพยายามลดละเพียงด้านเดียวนี้มันจะลดละได้เป็นพักๆเดี๋ยวมันก็หมดกําลังนั่นเราต้องเสริมกําลังต่อสู้กับกิเลสคือเราต้องปฏิบัติเจริญสติสมาธิให้มากถ้าเรามีสติต่อเนื่องเราเข้าสมาธิได้นานได้มากจิตเราจะมีความอิ่มมีความพอที่จะทําให้เรามีกําลังที่จะสู้กับ กิลสต่างๆได้ง่ายกว่าในขณะที่เราไม่มีสติหรือสมาธิดังนั้นมันต้องทําทั้งสองสว่วนโดยเราต้องทําในส่วนที่ลดละด้วยแล้วก็ทําในส่วนที่เราไม่มีคือสร้างพลังพละห้ามีสติมีปัญญามีสมาธิเป็นตัวที่เราต้องสร้างกันถ้าเราไม่สร้างสติสมาธิปัญญาแล้ว เราจะไม่มีกําลังที่จะสู้กับกิเลสได้เราอาจจะสู้ได้เป็นพักๆเวลาไหนที่เราฮึดฮัดขึ้นมาเราก็อ่ะจะไม่เที่ยวไม่กินไม่ ด, ไมไดื่มอะไรมาทมําไปได้สักพักหนึ่งเดี๋ยวก็หมดแร้แต่ถ้าเราหมั่นเจริญสติสมาธิปัญญาให้มีกําลังมากขึ้นมากขึ้นนี่เราจะสามารถรักษาการล ะ, ละกิเลสของเราได้อย่างง่ายได้และทําให้เราลดละกิเลสเพิ่มมากขึ้นไปได้ตามลําดับจนกิเลสตัณหานไม่มีหรอกเลย ออยยู่าาใในใจขงเรเรลคำถามถัดมานะครับเมื่อเช้าไปตักบาทพระอาจารย์พระอาจารย์อธิบายจิตของพระอาหารหันต์กับสังขารสัญญาเป็นคนละส่วนกันสมองเสื่อมแต่จิตไม่ได้เสื่อมตามอยากให้พระอาจารย์อธิบายเพิ่มเติมครับคือจิตในกับขนนันในมันทำหน้าที่ต่างกันขนัน ขันขันห้านี้ก็เป็นเหมือนกับเป็นเครื่องมือของจิตที่จะนําพาจิตให้ได้ไปสัมผัสกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกนี้ส่วนจิตนี้เป็นผู้ที่เสพรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเสพเสียงต่างๆสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกวิญญาณที่ออกมาจากจิต วิญญาณทั้งห้าคือจักโววิญญาณโสตะวิญญาณในธรรมนองนี้วิญญาณทั้งห้ามาเกาะที่ตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็ไปรับรูปเสียงจิตนัดเข้ามาเสพนะถ้าจิตที่มีกิเลสก็จะเสพด้วยความอยากด้วยความยึดติดยึดมั่นแล้วเวลาไม่ได้เสพก็จะทุกข์ส่วนสําหรับผ้าอาหารนี่ท่านได้กาจัดกิเลสที่มีอยู่ในใจหมดเส้นไปแล้ว แต่ขาของท่านก็ยังทําหน้าที่เหมือนกับปุถุชนเหมือนเดิมก็ยังสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เข้ามาทางตาหูจมูกนิ้นกายแล้วก็เข้ามาทางวิญญาณเข้ามาสู่ใจแต่ใจยังไม่มีกุศลกิเลสไม่เสพใจจะเป็นเพลงแต่ผู้รับรู้สิ่งต่างๆที่เข้ามาทางตาหูจมูกนินก้วกลางแล้วทุกอย่างที่ท่านทําก็ทําเป็น กิริยาทำด้วยความเมตาามตากรุณามุริตรู้เบิกขาเท่านั้นท่านจะไม่ได้ทำด้วยความโลภความอยากความต้องการแล้วก็ท่านจะรู้ว่าสิ่งไหนที่เป็นเป็นบาปสิ่งไหนที่เป็นบุญเพราะบาปกับุญนี่มันจะแสดงผลขึ้นในใจทันทีถ้าทําบาปถ้าไปทางกิเลสรับใจจะร้อนขึ้นมาทันที ไม่ไปทางกิเลสใจก็จะเย็นการกระทำของท่านนี้ท่านจะไม่ไปทางกิเลสอย่างแน่นอนแต่เรื่องของทางร่างกายนี้มันก็เปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่จิตนี่ก็เป็นเหมือนคนขับร่างกายนี้เนื่องะรถยนต์นี้บางทีมันก็เสียได้บางทีมันก็วิ่งแบบไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของผู้ขับได้เลี้อวมันเขย่า เลือพวงมาลัยมันมันไม่สามารถที่จะสั่งให้รถไปทางซ้ายไปทางขวาได้อันนี้เป็นเรื่องของรถยนต์ที่ผู้ขับรถนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ไม่ดูมันก็เป็นเหมือนคนเมาขับขับรถแบบแบบประมาทแบบว่าควบคุมบังคับไม่ได้เหมือนคนเมาขับเท่านั้นเองอั น, นี้คือลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างร่างกายกับจิตใจ จิตใจของพวกที่มีกิเลสนี่ยก็ยังทําอะไรไปตามความอยากของกิเลสอยู่แต่จิตใจของพระอาหารหันต์นี่ไม่มีกิเลสแต่บางทีร่างกายมันก็สแสดงอาการเหมือนเหมือนกับว่ามีกิเลสเพราะมันไม่อยู่ในอาการสํารวมอะไรทานองนี้ได้บางทีบังคับไม่ได้ถ้าเป็นโรคชักอย่างที่เขาพูดถึงพระอาหารหันต์ก็ชักได้เป็นโรคของร่างกายไม่ใช่โรคของจิตใจ ที่ี่มีที่มีคลิปที่โพสไปว่าภาพอาหารนี่ลืมได้หรือไม่ <Yeah. S 1> ก็เคยได้ยินของตาท่านเล่าให้ฟังว่าภาพอาหารนี่ถ้าเป็นสัญญาวความจานี่ลืมได้เช่น <Yeah. S 1> เราจำวิชาการต่างๆที่หมอเรียนมาเนี่ยท่านหมอไม่ใช้มันไปสักพักก็ลืมได้ mm hmm. หรือไม่เจอคนนั้นคนนี้สักพักหนึ่งก็ลืมชื่อเขาได้นี่ yeah. เป็นเรื่องสัญญาความจำที่เราจำมาไว้ในใจแต่ถ้าเราไม่ใช้มันสักพักมันก็เสื่อมได้ส่วนสิ่งที่มันมีอีกส่วนหนึ่งที่ผ้าหลานนี่จะไม่มีวันลืมก็คืออริยสัจสี่สัจธรรมความจริงหรือไตรลักษณ์นี่เพราะส่วนเหล่า น, นี้มันจะมีผลกระทบต่อจิตใจโดยตรงถ้าเกิดสมุทัยขึ้นมาปั๊บใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีถ้าเกิดมา ขึ้นมาดับสมุทัยได้ทุก็ดับไปทันทีอันนี้มันเป็นของจริงที่มีอยู่ในใจของทุกๆคนอันนี้เพราะอารหันต์ทั้งหลายท่านจะไม่ลืมโดยเด็ดขาดท่านจะรู้ว่าการกระทำอย่างไหนทำให้ใจท่านทุกการกระทาอย่างไหนจะทำให้ใจท่านไม่ทุกไม่มีใครบ้าที่จะไปทำให้ใจของตนเองทุกท่านจะไม่ทำในสิ่งที่จะทให ให้จิตใจของท่านทุกก็คือบาปทั้งหลายนั่นเองแต่เรื่องของกฎระเบียบกติกาของสังคมนี้มันเปลี่ยนได้มันไม่ได้เป็นเป็นกฎที่เป็นเป็นบาปเป็นเพียงแต่เป็นกฎที่อาจจะทําให้สังคมอยู่กันอย่างสวยงามเรียบร้อยอะไรทนองนี้ศีลของพระสองอยิบเจ็ดข้อนี้ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นกฎเป็นระเบียบไม่ได้เป็นกฎแห่งกรรม กฎแห่งกรรมนี่มีอยู่แค่สี่ข้อคือปาราชิกสี่นี่นอกนั้นถือว่าเป็นกฎระเบียบเพื่อที่จะให้พระประพฤติตัวสวยงามให้ศรัท ธ, ธาชาวบ้านเขาเลื่อมสายศรัทธาเท่านั้นเองซึ่งพระอราหันต์ทั้งหลายท่านก็รักษากฎเหล่านี้ไว้ยกเว้นในกรณีบางกรณีเท่านั้นเองที่ท่านอาจจะระงับเป็นขั้นเป็นขราวไป เช่นมีเรื่องที่จะเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องของหลวงตาปวดมานานกับผ้าใหม่เดินกับวัดไปด้วยกันอันนี้ก่อนจะถึงวัดนี้ต้องข้ามนําห้วยพอมาถึงนําห้วยช่วงนั้นเีฝนตกมากน้ำไหลหลากมีผู้หญิงชรลาคนหนึ่งนั่งอยู่ข้างลําทารแล้วก็มีหน้าตาเศร้าหมองหลวงตาท่านก็เลยถามว่า โยมเป็นอะไรเหรอโยมบอกว่าฉันอยากจะกลับบ้านแต่ไม่กล้าเดินข้ามน้ำห้วยมาน้ำกูน้ามันจะแรงแล้วพัดให้ไหลจมน้ําได้หลวงตาบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะช่วยแล้วหลวงตาก็อุ้มหญิงชราคนนั้นเดินข้ามห้วยไปจนถึงข้ามพอถึงฝั่งอีกฝั่งหนึ่งท่านก็ปล่อยให้หญิงชราคนนั้นเดินต่อไปส่วนท่านกับผ้าใหม่ก็เดินกลับต่อไป เพื่อไปวัดพระใหม่ที่บวนี้เพิ่มศึกษาพระไว้ในก็รู้ว่าพระแต่ต้องผู้หญิงไม่ได้สีกาไม่ได้ก็รู้สึกว่าทําไมหลวงตาไปทําทําผิดกฎระเบียบข้อนี้ก็เลยรู้สึกหมหุนเหยียดใจลาคาญใจถึงกับทนไม่ไหวพอถึงวัดก็เลยต้องกาบถามหลวงตาว่าเมื่อกี้หลวงตาไปแตะเนื้อต้องตัวผู้หญิงทําไมผู้หญิงนี่กฎข้อห้ามไม่ให้แตะต้องไม่ใช่เลย น้องตาตอบว่ากูปล่อยมันตั้งแต่อยู่ที่ลำทารแล้วมันยังแบกมาถึงที่วัดเด็กหรือครับเข้าใจไหมเข้าใจครับอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับคําถามถัดไปนะครับกาบเรียนถามท่านทําด้วยกิยริยาท่านทําด้วยความเมตตาครับออย่างอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเลยใช่ไหมครับอาจารย์อืม ก็อย่างเราก็ไม่รู้ว่าเป็นจริงหรือไม่คนที่มากล่าวอันนี้อาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาเองก็ได้เพราะไม่มีไม่มีพยานหลักฐานเหมือนคนที่สมัยพุทธกาลก็กล่าวหาว่าพระพุทธเจ้าไปทำให้เขาท้องก็ต้องมีหลักฐานมาพิสูจน์ใ้เห็นกันครับผมอาจารย์ครับผมข้ามไปคำถามครับ ถ้ามีจริงๆก็ต้องสอบถามท่านว่าท่านทำเพราะอะไรครับคำถามถัดไปนะครับผ้อาจารย์ครับากาบเรียนถามผร้อาจารย์ค่ะเวลานั่งสมาธิดูลมหายใจไปสักพักแล้วลมหายใจเหมือนหยุดชะงักขาดช่วงไปเลยแต่เป็นแค่หนึ่งถึงสองวินาทีเป็นช่วงๆบ่อยๆเกิดจากอะไรคะจะเกิดจากอะไรไม่สำคัญสำคัญที่เราจะทำไงกับมัน เรามีหน้าที่มีสติรู้อยู่ก็รู้ไปเฉยๆฉย่างที่พระเจ้าทรงสอนว่าให้รู้ความสความเป็นจริงของลมหายใจสั้นก็รู้หายใจสันจส้นหายใจยาวก็หายใจยาวไม่ต้องไปทำอะไรให้รู้เฉยๆไปปล่อยให้ลมเป็นของเขาไปตามธรรมชาติของเขาเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นปกติของมันเองคำถามถัดไปจากคุณสมพรครับ น้อมกราบบูชาพระอาจารย์คำว่าการในทางธรรมมีความหมายว่าอย่างไรครับคำว่าการไม่ได้หมายถึงการหลับนอนด้วยการเพียงอย่างเดียวคำว่าการหมายถึงการเสพรูปลดกลิ่นเสียงทุกๆุกอย่างหรือเปล่าการปฏิบัติธรรมให้ไกลกามห่างในทางธรรมต้องปฏิบัติอย่างไรครับขอคำแนะนำครับคำว่าการนี่คลมงจากคาว่าการมาคุณห้ า, าการมาคุณห้าอรูปเสียงกลิ่นลดโผล่ัพพะ ที่เราสัมผัสด้วยตาหูจมูกเล่นกายของเราเนี่ซึ่งเราก็เสพกามาคุณห้านี้ในหลายรูปแบบด้วยกันทุกอย่างที่เราเสพด้วยตาหูจมูกเล่นกายนี้เรียกว่าการมคุณทั้งห้าเองแต่ว่าสิ่งที่เราพูดถึงสําหรับผู้ที่ต้องการที่จะตัดกิเลส ข, ขั้นสูงนี้เราต้องตัดการร่วมหเรกเพราะอันนี้เป็น ตัวที่จะผูกมัดให้เราค้องติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดอย่างอย่างรุนแรงไม่มีอะไรจะรุนแรงเท่ากับกรากรการความอยากจะเสพกรารร่วมหลับนอนกันเทปอย่างอื่นยังพอที่จะงดได้ฝืนได้แต่การที่จะไปร่วมหลับนอนกันนี่มันมันถืนยากมันทรมานสามารถความคำ ว, ว่ากามนี่หมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสที่เราเสพกั น, นหลายรูปแบบด้วยกัน แต่ถ้าเราพูดถึงสังโยชน์การมาราค้าที่เราหมายถึงการรั่งหลับนอนร่วมเพศกันคำถามถัดไปนะครับขอสอบถามค่ะพอดีหนูนั่งรถเมมาทํางานในกทมทุกวันนั่งสมาธิมาตลอดค่ะประเด็นเมื่อมีอาการปวดท้องต้องการเข้าห้องน้ําเลยตัดนั่งสมาธิช่วยได้จริงค่ะแต่ลงรถเมวิ่งเข้าห้องน้ําด่วนเช่นกันอันนี้คือการนั่งสมาธิ ถูกต้องไหมเจ้าคะก็เป็นส่วนคือพวามความเจงเรากำลังจเจริญสติมากกว่าเพราะจิตเรายังไม่ลงเป็นสมาธิเพราะเรายัางรับรู้เรื่องราวต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆที่มาทางตาหูจมูกนิ้นกายอยู่เพียงแต่ว่าใจเราไม่ไปมีความยุ่งเกี่ยวกับมันมันก็เลยไม่มาทำให้เรามีความรู้สึกบรบกวนใจเราเช่นร่างกายท้องเจ็บ ปวดท้องอะไรทํรานองนี้แต่เราใช้สติอยู่กับอารมณ์พุโทโธแล้วอยู่รมหายใจอาการปวดท้องมันก็เลยไม่มาบรบกวนใจของเราแต่พอเราต้องลุกลงจากรถปั๊บมันใจเราก็ไปคิดถึงอาการป่วยขึ้นมาทันทีมันก็ทำให้เราต้องรีบเข้าห้องน้ำกันะี่นันการเข้าสมาธินี้ยังไม่ถึงขั้นขั้นอัปปนาสมาธิจิยังไม่รวมซึ่งจะรวมนี้ต้องไปอยู่ที่งเงียบ คนเดียวถ้ายังมีสิ่งรอบกายอยู่นี่มันจะรวมได้ยากคุณนัทวัตรนะครับบอกว่ามีโอกาสเป็นไปได้ใหม่ครับหากชาตินี้เรามีความสนใจใฝ่ธรรมในระดับหนึ่งมีนิสัยเมตตามีโอกาสใหม่ครับที่เราเกิดใหม่หลายๆภพชาติแล้วโดนสภาพแวดล้อมของสิ่งภายนอกการเอาเปรียบ เอาตัวรอดแปลเปลี่ยนจนกลายเป็นคนที่ไม่ดีไม่สนใจใฝ่ธรรมจนในที่สุดก็สภาวะจิตใจแปลเปลี่ยนไปไม่เมตตาต่อคนอื่นเหมือนชาติก่อนๆสติอยู่กับตัวเองช่วยได้ไหมครับสติจะติดตามเราไปทุกๆชาติไหมครับก็ทั้งสติทั้งเมตตาที่เราทำอยู่นี้มันก็จะติดไปกับเราอยู่ที่ว่าเราทำมากทำน้อยถ้าทำมากมันก็จะตกค้างอยู่ในใจเราแน้นได้นาน ถ้าทำน้อยมันก็จะตกค้างอยู่ในใจเราได้น้อยก็เหมือนคำเงินทองที่เราสะสมไว้นะถ้าเราสะสมเงินทองไว่มากโอกาสที่เราจะยากจนมันก็ยากกว่าถ้าเราสะสมเงินทองไว้น้อยกว่านั้นเองงนั้นพยายามสะสมความดีต่างๆไว้ให้มากๆเท่าที่เราจะสามารถสะสมได้เพื่อที่เราจะได้รักษาความดีต่อไปในภกต่อๆไปได้ คุณเยาวภาครับเรียนถามพระอาจารย์เจ้าค่ะว่าการทำบุญด้วยการถวายพระพุทธรูปมีอนิสงส์อะไรบ้างเจ้าคะก็เป็นทานอย่างหนึ่งเท่านั้นทาบุญการเสียสละแบ่งปันก็ได้ออ น, นิสงส์ก็คือจะทำให้เรานี้มีทรัพย์เวลาเราไปเกิดในพมหน้าชาตินะาเป็นเหมือนเงินที่เร า, เาไปฝากไว้ในธนาคารอาจาร์สักครู่นะครับ อขอคุณผู้หญิงนะครับถามว่าเรื่องลงทุนในหุ้นในบริษัททาธุรกิจฆ่าสัตว์ค่ะพอดีคราวก่อนฟังแล้วไม่เข้าใจสรุปว่าเช่นเราไปซื้อหุ้นของบริษัทหนึ่งที่เรารู้ว่าเขาเอาเงินของเราไปขยายกิจการเลี้ยงนะฆ่าหมูฆ่าไก่นี้ทำได้ไม่บาปใช่ไหมคะคือเราไม่ได้ฆ่าเองไม่บาปเพียงแต่ว่าเราก็อยู่มีส่วนในการสนับสนุนการฆ่าโดยให้พูดเขาฆ่าแทนเรา นั้นยังไม่ถือว่าเราเราไม่ได้ไปสั่งเขาโดยตรงเราเพียงแต่มีทํางานเกี่ยวกับบริษัทนี้เท่านั้นเองนั้นแล้วเร า, เ ร, าเรียกว่ามันไม่ใช่เป็นส ม, มาชีพแต่ในยุคสมัยปัจจุบันนี้บางทีมันก็แยกแยกแยกแยะได้ยากเพราะบางทีบริษัทอย่างนี้น เ, นเขาทํากิจกรรมกิจกา ร, รหลายอยา่างเกี่ยวข้องกันหลายอยา่างด้วยกันแม้แต่ธนาคารนี้เขาก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจทุกชนิดใช่ไหม ใช่ครับงั้นก็งัน้นก็เอาเอาสิ่งที่ใกล้ตัวเราดีกว่าคือเราดูหน้าที่ของเราการงานของเราเราทำอะไรเราทำบัญชีก็ถือว่าโอเคทําให้กับบริษัทที่มีการค่าสัต์สัตชีวิ ต, ตนั้นก็เป็นเรื่องของบริษัทไปหรือถ้าเราต้องการที่จะไม่ให้มันไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพเหล่านี้เลยก็ไปบวชทําอาชีพบิณฑบาตดีที่สุด คำถามถัดไปนะครับขอโอกาสเรียนถามพระอาจารย์ว่าจิตกับสติจะไปด้วยกันอย่างไรครับคือจิตนี่เป็นผู้ควบคุมเอสติเป็นผู้ควบคุมจิตผู้ควบคุมความคิดของของจิตถ้าไม่มีไม่มีสติจิตจะคิดแบบเพ้อเจอ้อเพ้อฝันคิดไปแบบคนบ้าคนบอไปแต่ถ้ามีสติเราก็จะควบคุมความคิดให้อยู่ในกรอบของความเป็นปกติได้ แต่นี้เป็นตัวควบคุมบังคับความคิดต่างๆของของจิตคำถามถัดไปครับกับเรียนถามพระอาจารย์เคยนั่งสมาธิจน จ, นจิตเป็นหนึ่งหูดับคําบริกรรมหายลมหายใจละเอียดตัวเบาและมีความสุขอยากทราบว่าต้องปฏิบัติต่ออย่างไรคะก็ทําบ่อยๆทําให้มากขึ้นให้มันสมบพได้นานขึ้นทําให้ทํางาน แล้วต่อไปเวลาออกจากสมาธิมาก็สอนจิตให้คิดไปในทางปัญญาให้คิดไปในทางใจรักว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นอนิจจังไม่เที่ยงเดรรณะตาไม่มีตัวตนไม่มีเป็นใครเป็นเจ้าของเป็นของธรรมชาติถ้าไปยึดไปติดไปอยากก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่ยึดไม่ติดปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาก็าจะไม่ทุกข์ นี่คือขัานปัญญาที่เราจะต้องปฏิบัติต่ อ, อไปหลังจากที่เรามีความชำนาญในการเข้าออกสมาธิแล้วคุณวีนาครับเรียนถามพระอาจารย์การเจริญสติเพื่อเข้าสมาธิและใช้ปัญญาพิจารณาทำไมถึงยังไม่ในพานไม่ได้คะมีอะไรที่เป็นจุดบกพร่องหรือการปฏิบัติส่วนใดบกพร่องไม่ถูกต้องคะในคุณหมอลองลองพูดอีกครั้งดครับ คือการเจริญสติเพื่อเข้าสมาธิและใช้ปัญญาพิจารณาทำไมถึงยังไปนิพพานไม่ได้คะมีอะไรที่เป็นจุดบกพร่องหรือการปฏิบัติส่วนใดบกพร่องไม่ถูกต้องคะคือการเจริญสติเนี่ยมันต้องเต็มร้อยคือเราต้องไม่เผลอเลยคือตั้งแต่ตื่นขึ้นมาเนี่ยเราสามารถควบคุมความคิดของเราไม่ให้คิดไปในเรื่องที่ไม่จาเป็นจะต้องคิด ให้จิตอยู่ในปัจจุบันอย่างต่อเนื่องแล้วพอเวลานั่งสมาธิจิตก็รวมเข้าสมาธิได้นิ่งสงบไม่คิดตรงแต่อันนี้ลหละถึงจะเรียกว่าทำได้เต็มที่เต็มร้อยต้องให้จิตเข้าสมาธิเป็นอดับปนาสมาธิเข้าแล้วนิ่งอยู่ได้นานเป็นชั่วโมงแล้วหลังจากนั้นออกมาก็ขยับขึ้นมาในระดับปัญญาก็ให้จิต คิดไปในทางปัญญาไม่ให้คิดไปในทางอาวิชาทางปัญญาก็ให้คิดว่าทุกอย่างในโลกนี้มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวเราถ้าเราเผลอปล่อยให้มันคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นสุขเป็นของเที่ยงเป็นของเราอันนี้เราก็อย่าไปถึงนี้ผ่านไม่ได้เราต้องคิดในแนวของตายักตลอดเวลาถึงจะไปถึงนี้ผ่านได้ คุณต้าครับอยากถามค่ะคนที่พูดว่าปฏิบัตินั่งสมาธิสวดมนต์ทุกวันแต่วาจาเขายังเสียดสีเอาผิดคนอื่นที่เขาทำผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจความเห็นว่าคนนั้นจิตเป็นอย่างไรบ้างคะจิตเข้าถึงธรรมไหมคะก็ยังเข้าไปไม่ถึงถ้าเขามีสติมีสมาธิแล้วเขาจะควบคุมวาจาของเขาได้ดีกว่า เขาจะระมัดระวังให้จิตนี้อยู่ในกรอบของศีลธรรมคือสา ม, มาวาจะไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อสเสียดไม่พูดเพ้อเจ้ออันนี้แสดงว่าการปฏิบัติธบาธิของเขายังเป็นแบบทับพีในหม้ อ, อกแก่ก็ยังไม่ได้ผล คุณวรยาครับกาศนักการพระอาจารย์ถ้าร่างกายเราแก่แล้วดวงจิตแก่ด้วยไหมคะไม่แก่กดวงจิตไม่มีวันแก่ดวงจิตตั้งแต่วันเกิดมาจนถึงขณะ น, นี้เป็นดวงจิตที่เหมือนกับตั้งแต่เกิดมาไม่มีการเสื่อมเหมือนกับร่างกายกาเปลียนถามพระอาจารย์ว่าพระสงฆ์ซื้อลอตเตอรี่ผิดศีลและวินัยหรือไม่เจ้าคะ มันเป็นความโลูกเลยพระสละทรัพย์สมบัติมาแล้วเรายังจะมาหาทรัพย์สมบัติเลกทําไมมันมันขัดต่อเป้าหมายของการปฏิบัติขัดต่อการเป้าหมายของการมาบวชการมาบวชนี่เพื่อตัดละลาบยศลดเสริญสุดทางรูปเสียงเกลื่นลดไปถ้ายังมาซื้อลอตเตอรี่ก็ยังหมายถึงว่ายังอยากได้ราบก็ก็ขัดหลักธรรมแต่ไม่ทราบว่า มีพระวิหนัยห้ามหรือไม่มรู้สึกจะไม่มีห้ามนะแต่ก็ไม่ควรทำไม่ใช่เป็นเก็ช่องส ม, มง่ายๆกาบเรียนถามครับถ้าคนบนโลกนี้บวชหมดและบรรลุได้ภพภูมิมนุษย์จะยังมีต่อไปอีกหรือไม่ครับไม่อยากจะตอบคำถ า, ถามท่าเลยพูดไปล้กม็มันเสียเวลาบป่าๆเอาเอาของเราคนเดียวก่อนเถอะว่าถ้าเราดุดพ้นได้เป็นยังไง นี่จะดีกว่าม่วนคนอื่นนี่มันเป็นเรื่องของเขาทุกคนเขาจะมาคิดเหมือนเราได้อย่างไรใช่ไห ม, ไมไในไหนทุกคนเลือกนายกคนเดียวยังเลือกกันไม่ได้เลยใช่ไหมยังมีแบ่งแยกก็จะเอาคนนั้นจะเอาคนนี้เลยน่าจะมาให้ทุกคนเลือกไปพันธนิพนธ์นี่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้ว ราดมรสการพระอาจารย์ค่ะอยากจะถามพระอาจารย์ว่าช่วงหลังๆเวลานั่งสมาธิในขณะกําลังภาวนาพุทโธต่อเนื่องอยู่กับคําบริกรรมทําไมถึงเกิดอาการหาวบ่อยมากจนต้องเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งทําให้รู้สึกเหมือนไม่ก้าวหน้าในการนั่งสมาธิอยากขอคําแนะนําจากพระอาจารย์ค่ะส่วนหนึ่งเวลาเรานั่งสมาธินี่ใจจะเข้าสู่ความสงบที่ เมื่อไม่เริ่มสงบรู้ใจก็รู้สึกสบายมันก็เลยเกิดอาการง่วงถ้าเราถ้าเราเอรับประทานอาหารมาหรือมอีอาหารอยู่ในร่างกายเรามากถ้าเราร่างกายเราสบายมันก็อยากจะนอนดงั้นการที่เราจะนั่งสมาธิแล้วไม่ง่วงนี้เราจะต้องมีรู้จักการกดรู้จักการประมาณในการรับประทานอาหารให้ถือศีลแปด คือไม่ให้รับประทานหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเพื่อในช่วงตอนเย็นตอนข้ามเวลาเรานั่งสมาธิมันจะได้ไม่ง่วงถ้าเรารับประทานอาหารเย็นถ้าเราไปนั่งสมาธิต่อเดี๋ยวก็หลับคำถามถัดไปครับผ ม, ผมเก็บเงินได้แต่ไม่ได้ตามหาเจ้าของและผมเอาเงินที่เก็บได้ไปทําบุญทั้งหมดผลคือผมจะบาปหรือบุญครับ บางเพืนเราไปเอาเองินของเจ้าของที่ก็ยังไม่อนุ ญ, ญาตนะต้องขออนิ ญ, ญาตเจ้าของก่อนถ้าเราจะนำเงินขอเขาไปใช้ถ้าเราไม่รู้ว่าจะเป็นของใครแล้วก็ปล่อยวางว่าตรงนั้นไม่ใช่ละ ไ, ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปแตะต้องเงินทองก้อนนั้นคำถามถัดไปครับปกติเวลาอยู่คนเดียวที่คอนโดมักจะเปิดฟังเพลงไปด้วยขณ ะ, จะเจริญสติทํางานที่ไม่ใช้สมองพยายามจเจริญสติดูการเคลื่อน แมักรู้สึกว่าเผลอคิดบ่อยเวลาเปิดซูมรีลันของพระอาจารย์สุชาติหรือของพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านอื่นๆมันทําให้การอยู่คนเดียวที่คอ น, คอนโดไม่เหงามากอยู่คนเดียวเหงาจัดโดยเฉพาะช่วงค่าค่ะถ้าทําแบบนี้จะเป็นอุปสรรคขวางกั้นการพัฒนาสติไหมคะควรดูการเคลื่อนหรือพุดโธโดยไม่เปิดซูมไม่ฟังเทศจะดีกว่าใช่ไหมคะคือถ้าเป็นไปได้ก็ ไม่ควรเปิดมันจะได้1้อยเปอร์เซ็นแต่ถ้าเราเปิดนี่มันก็อยู่ในลักษณะว่าบางทีสติเรายังมีกำลังน้อยถ้าเราไม่เปิดใจเราอาจจะไปคิดทำให้เรารู้สึกเหงารู้สึกเศร้าขึ้นมาแต่พอเรามีธรรมะมีอะไรมาฟังมันก็ช่วยทำให้เราระงับความคิดปู่แตกไปทางความเศร้าซ้อยไม่เหงาได้ก็อยอยถือว่ายังเป็นประโยชน์อยู่ถ้าอยากจะให จิตเรานี่มีสติเต็มร้อยนี่เราต้องมีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวการกระทําของร่างกายนี่อย่างเดียวแล้วถ้าอยากจะฟังธรรมก็ต้องนั่งเฉยๆแล้วก็ฟังธรรมเพื่อเราจะได้ประโยชน์เต็มร้อยอย่างใดอย่างอย่าเอาแบบทั้งสองอย่างมันก็จะได้แบบห้าสิบห้าสิบคุณธนาครับการได้ใส่บาทหรือได้กราบพระอริยสงฆ์ได้บุญมากกว่าพระทั่วไปหรือไม่และควรหาโอกาสไปกราบสักครั้งหรือไม่ พระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบครับาการกราบเฉยๆนี่ไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกการไปห า, าพระรยะสงฆ์นี่จะได้ประโยชน์ก็ต่อเมื่อเราได้ความธรรมของท่านแตถ้าเราเพียงแต่ไปใส่บาตรแล้วก็การาบท่านเฉยๆนี่ก็เหมือนกับเราใส่บาตรกับภาพลูกอื่นนอกจากภาพลูกอื่นเพราะส่วนที่เราทําก็คือเราเสียสละเงินทองด้วยการบริจาคเข้าของไปท่านเองแต สิ่งที่เราพึงจะได้จากพระนี่เราก็จะไม่ได้ถ้าเราไม่ได้มีโอกาสได้ฟังธรรมได้สนทนาธรรมกับท่านดังนั้นถ้าเวลาเราไปกราบพระอริยสงฆ์นี้สิ่งที่เราควรจะทมก็คือไปฟังธรรมสนทนาธรรมหรือไปฟังธรรมไม่ใช่เป็นเพียงแต่ไปขอให้ของนั่งเอาคลากลับบ้านได้กราบท่านนั่นเองอันนี้ก็จะได้เพลงทานแต่ถ้าเราฟังธรรมไปด้วยเราก็จะได้ปัญญาได้สติ คุณสหชยาครับกราบพระอาจารย์ค่ะรักษาศีลห้าจนเป็นปกติแต่ไม่ได้สมาทานศีลจะเป็นบุญหรือไม่คะเป็นเพราะการสมาทานนี้ไม่ได้เป็นตัวที่จะทําให้เกิดเป็นบุญขึ้นมาการสมาทานนี้เป็นเพียงการแสดงเจตนาว่าเราต้องการที่จะรักษาศีลนั่นเองแต่ถ้าเราสมาทานแล้วเราไม่รักษามันก็มันก็ไม่ได้อะไรเลย จะได้บุญหรือไม่ได้บุญอยู่ที่การรักษาศีลไม่ได้อยู่ที่การสมาทานศีลกาบเรียนถามพระอาจารย์ครับเราจะรู้ได้อย่างไรว่าเราหมดกรรมแล้วคือไม่ต้องรับกรรมแล้วครับแล้วเจ้ากรรมในเวรอโหสิให้เราแล้วครับก็เมื่อเราไม่มาเกิดเท่านั้นเองขณะที่เรายังเกิดเราเรายังอยู่ในภพนี้อยู่ถึงแม้เราเป็นพาาระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเราก็ยังต้องรับ ผลของวิบากกรรที่เราทำมาในอดีตต่อไปจนกว่าเราจะไม่อยู่ในโลกนี้แล้วเท้งนั้นกรรมถึงจะไม่สามารถที่จะส่งูลให้กับเราได้ท่าไปมีคำถามแต่ยาวแต่ไม่จบนะครับกาบนรมาสการพระอาจารย์ครับขอโอกาสถามพระอาจารย์ในกรณีที่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่กดแห่งกรรมคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทำไมมีกรณีที่ในพรานบุญหนานำพระพุทธรูปที่ที่วัดมาจัดแถวฝึกทหารทำไมถึงได้เห็นบาปทันตาเห็นด้วยการเกิดเจ็บป่วยแผลผุพองขึ้นเต็มตัวเกือบตายแต่พอนำดอกไม้มาขอขามาจึงหายและอีกข้อคือการที่เรานำข้าวหนึ่งจานถวายพระและอุทิศให้บิดามาันดาแค่สองคนแล้วระหว่างที่ถวายข้าวจานเดียวให้พระและอุทิศให้พ่อแม่กินสัตว์ที่ร้นทุกทั้งสาโลกแบบไม่มีประมาณ คำถามจบแค่นี้ครับอาจารย์อ่าอันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเรื่องที่มันมันมันพูดยากนะว่าเราก็ไม่รู้จริงๆว่ามันมีอะไรไปทําให้เกิดผลเหล่านั้นเกิดขึ้นมาถ้ารู้ว่ามันเป็นผลไม่ดีที่เกิดจากการกระทําไม่ดีเราก็อย่าไปทํามันครับแล้วกันครับสักครู่นะครับพระอาจารย์ครับ อันนี้ผู้ผฟังผู้ชมยังยังยังอยู่เท่าเดิมไหมเยอะอเยอะเลยครับอาจารย์ตอนนี้ที่ฟังอยู่เท่าที่ตัวเลขที่ผมเห็นนี่เกือบพันหกร้อยคนนะครับอาจารย์มากกว่าปกติ ย, ยังใช้ได้อยู่นะใช่ครับนะเสียงเห็นคนชมว่าใช้ได้ตลอดเลยครับอาจารย์ตอนนี้พอดีผมเจอในช่วงที่ถามเรื่องใหม่คนจะคอมเมนต์เข้ามาเรื่องใหม่เต็มเลยนะครับ โอเคคำถามครับมีหัวข้อทําใดบ้างที่เราจําเป็นต้องรู้ไม่รู้ไม่ได้เพื่อความก้าวหน้าเพื่อการบรรลุธรรมครับก็มีสามหัวข้อใหญ่ๆที่พระเจ้าทรงสอนทุกๆพระองค์ที่มาตัดสั่าสอนธรรมะะสอนธรรมะสามหัวข้อใหญ่ๆคือได้ละการกระทํำบาปทั้งปวงสองให้สร้างบุญสร้างกุศลทั้งหลายให้ถึงพร้อมสามชำระจิตใจให้สะอาดบริสุทธ์ นี่คือคําสอนของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์การเรียนถามผ้าอาจาร์ถึงวิธีที่จะบูชาพระพุทธเจ้าให้ดีที่สุดเนื่องในวันวิสาขบาูชาครับก็ปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ใดปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทรรผู้นั้นคือเป็นผู้บูชาเราตถาคต ปฏิบัติธรรมสองกฎกระทําก็คือปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มร้อยนั่นเองทําที่พระเจ้าทรงสอนให้ปฏิบัติให้เหต็มร้อยให้เต็มที่ไม่ใช่ปฏิบัติแค่วันวิสาขบาูชาวันเดียวต้องปฏิบัติทุกวันตามร้อยหกสิบวันครับแต่อย่างน้อยก็ถ้าเป็นเป็นผู้เริ่มต้นก็เริ่มต้นคือวันนี้ก่อนก็ยังดีเป็นจุดเริ่มต้นแต่เป้าหมายที่แท้จริงนี้ต้องปฏิบัติตลอดเวลาตั้งกระตืกจนหลับ เราจะได้รับผลนั่นประเสริฐที่เราที่พระเจ้าได้ทรงรับนี่คือเป้าหมายหรือสิ่งที่พระเจ้าต้องการให้พวกเราได้คุบกันก็คือผลนั่นประเสริฐเพื่อบรรลุถึงมากขุนนี่ผ่านนี่แต่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราปฏิบัติอย่างเต็มร้อยเต็มที่คุณชาววินครับกราบถามพระอาจารย์ครับ ถ้าศีลไม่ครบเราสามารถพิจารณาทำได้ไหมครับหรือศีลต้องครบสมบูรณ์เท่านั้นถึงจะ พ, จพิจารณาทำได้ครับได้พิจารณาได้แต่จะทำไม่ได้พิจารณาว่าการรักทรัพย์ไม่ดีอย่างเงี้ยแล้วก็แต่เรายังรักทรัพย์อยู่มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะการดื่มช้าไม่ดีแต่เรายังดื่มช้าอยู่เราก็ยังเลิกไม่ได้แต่แต่ถ้าเรามีศีลเราเลิก เดือดสุราเราเลิกรักทรัพย์แล้วเราก็พิจารณาปัญญาว่าการรักทรัพย์ไม่ดีการเดือดสุราไม่ดีแล้วเราต้องพยายามคอยเข้าดูการกระทําองเราว่าเราเราจะไปรักทรัพย์ต่อไปหรือไม่เราจะไปเดือดชุราต่อไปหรือไม่และเมื่อเราพิจารณาทางปัญญาแล้วว่ามันไม่ดีอ น, นี้กายเจ็บ แต่ใจไม่เจ็บแบบนี้ใช่ไหมคะแค่รู้ว่าเจ็บแต่ใจไม่เจ็บไปกับกายใจมันไม่ไวยวายไม่เดือดร้อนใช่ไหมครับถูกต้องถูกต้องใจเป็นอูเบคาจะไม่ไปปรุงแต่งกับความเจ็บของร่างกายโดยหลักก็คือไม่ได้มีความอยากให้มันหายรื่มีความอยากไม่ให้มันเป็นใจยอมรับกับความเป็นจริงของร่างกายมันจะเจ็บก็ปล่อยมันเจ็บไปมันจะหายก็หายมันไม่หายก็ไม่หาย ในใจก็จะไม่เจ็บไปกับความเจ็บของร่างกายคุณว น, นาครับกราบนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะการละวางตัวตนคือสิ่งสำคัญในชีวิตของเราใช่หรือเปล่าเจ้าคะอันนี้ก็เป็นเป้าหมายที่สูงสุดมันยังเป็นสาหรับเ ป, เป็นข้อสอบ ท, ที่ระดับปริญญาเองอเราละ สิ่งที่เราไปยึดไปถือว่าเป็นของเราก่อดีกว่าเงินทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองสามีภรรยาบุตรดาอะไรทำนองนี้ก่อนมระของที่ไม่ใช่ของเรานี่มันง่ายกว่ามรณะของที่เราคิดว่าเป็นเป็นตัวเราของเราหรือหรือร่างกายเราหรือความรู้สึกหรืคิดของเราแต่ก็ในที่สุดก็ต้องละหมดเลยเพราะไม่มีอะไรเป็นตัวเราของเราเลยแม้แต่ชิ้นเดียวคุณแนตครับ อ่านหนังสือหลวงตามหาบัวแล้วบางทีงงค่ะเช่นเวลาปวดนี่ให้บริการพุทโธเร็วๆหรือให้พิจารณาคะเห็นบางทีหลวงตาบอกให้พิจารณาอุบายต่างๆนี่คือเฉพาะคนที่แอดวานแล้วใช่ไหมคะถ้าบิก๊กไนเนอร์นี้คือถ้าระหว่างนั่งสมาธินี้ไม่ควรพิจารณาใช่ไหมคะจะว่าไม่ควรก็ไม่ถูกถ้าพิจารณาได้ก็พิจารณาได้แต่ถ้าพิจารณาไม่เป็นก็ใช้คาบริกรรมไปก่อน คุณเจนะครับหากพระอาหารหันต์ปล่อยวางขันลงไปไม่ยึดเป็นตัวเป็นตนแล้วหลังจากวางขันที่เคยยึดไปมันจะไปอยู่ที่ไหนหรือครับรอสิ่งอื่นมายึดถือแทนหรือครับหรือว่ามันจะดับทันทีเลยครับหลังจากถูกปล่อยหรือไม่ปล่อยมันก็เกิดเกิดดับดับอยู่แล้วครับไม่แล้วมันยังยังยังอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าไม่ไปทุกข์กับมันไม่ไปวุ่นวายกับมันดูแลรักษาตามอัตภาพไป กินได้ก็ให้มันกินมันเจ็บไข้ได้ป่วยรักษาได้ก็รักษามันไปแะถ้าเวลามันกินไม่ได้ก็ไม่กินรักษาไม่ได้ก็ไม่รักษาเท่านั้นเองแต่ใจจะไม่ทุกข์ความความเจ็บไายหรือความวิบัติต่างๆของร่างกายการเรียนถามค่ะเวลานั่งสมาธิแล้วต้องฝืนไม่กลืนน้ำลายมันมีอาการเหมือนอึดอัดมากๆทำยากมากๆมีวิธีแก้ไขยอย่างไรคะ แสดว่าสติเรายังมีกำลังน้อยก็ลองสวนมนไปในในใจเป็นคนพางก่อนบุนอิทธิปิโสไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมันก็จะลืมเรื่องกำไรได้แล้วพอมิจากจิตรู้สึกว่ามีสติมากขึ้นก็ลองหยุดแล้วก็มาดูนมต่อคุณละดาครับขอถามพระอาจารย์ค่ะนั่งสมาธิแต่จิตเหมือนอยู่หน้าผาเหมือนจะตกเหวแล้วเหมือนจะขาดใจหมายถึงอะไรคะ หมาถึงมันกำลังจะเข้าสู่ควาสมสงบเราก็นั่งต่อไปดูลมต่อไปแล้วพูดโทรต่อไปไม่ต้องไปวิตกไม่ต้องไปวิพากวิจารอาการของจิตที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ตอนนั้นไวยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติมันคุณคีฟครับ การที่เราเชื่อมั่นในวัดปฏิบัติของพ่อแม่ครูอาจารย์ที่เคารพว่าท่านละสิ้นแล้วซึ่งกิเลสและเชื่อมั่นโดยสุจริตใจว่าท่านคือพระอาหันต์แล้วเราบอกกับคนอื่นๆแต่เขาบอกว่าเราอุดริการเชื่อมั่นของเรานี้ผิดหรือคะอมันไม่ผิดแล้วแต่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องไปบอกเขาเลยเราเป็นเรื่องส่วนตัวเรา คเชื่อและหลักฐานในข้อวัดปฏิบัติท่านนี้มีความเป้าหมายที่แท้จริงความเชื่อนี้คือให้นํามาไปปฏิบัติตัวเราเองไม่ใช่เอาไปบอกคุณนูนบอกคุณนี้พราะคนหนึ่งเขาก็อาจจะฟังแล้วเขาอาจจะเชื่อหรือรอ่ะเพราะาจะไม่เชื่อได้มันไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปบอกคนอื่นหน้าที่ที่เราจะนําเอาเข้อวัดปฏิบัติทนนันมีงามของท่านมาสมอนตัวเราให้เราปฏิบัติตามเหมือนท่าน นี่คือความหมายของการรีศรัทธาในปฏิปทาของครูบาอาจารย์ทั้งหลายคุณนททีครับผมถูกแม่เลี้ยงใส่ร้ายว่าไม่ดีสารพัดพ่อผมป่วยพี่น้องทุกคนส่งเสียแต่ไม่มากแต่ภาระดูแลรักษาพ่อสารพัดเหนื่อยมากๆผมดูอยู่คนเดียวอยากกราบเรียนว่าควรใช้ธรรมะข้อไหนดีครับ ก็ข้อที่ใครเป็นคนมาให้เราเกิดมาในโลกนี้ได้ก็พ่อแม่ของเรานั่นเอง mm hmm. ถ้าไม่มีพ่อแม่เลี้ยงดูเรามาให้กําเนิดเรามาเราจะมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร mm hmm. คิดท่านี้มันก็จะทําให้เรามีความรักพ่อแม่ทำความรบพ่อแม่มีความอยากที่จะเลี้ยงดูดูแลพ่อแม่ทุดแทนบุญคุณให้กับพ่อแม่เมืที่เราลืมบุญคุณของท่านไปเพราะเราไม่ระลึกนั่นเองลองคิดดูสิถ้าไม่มีพ่อแม่เราจะมีเรา คนนาถามถัดไปครับกาบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเคยไปร่วมทำวัดเย็นที่วัดแห่งหนึ่งแล้วมีเสียงพระที่นำสวดค่อนข้างดังเกิดอาการปวดหูและหงุดหงิดกระทั่งต้องนำหูฟังเปล่าๆมาอุดหูพร้อมกับอารมณ์ที่ค่อนข้างหงุดหงิดมาวันนี้ได้ร่วมพิธีออนไลน์และเสียงพระรูปนี้มาอีกครั้งการสวดของท่านค่อนข้างยานและช้าพร้อมเสียงที่เสียดหูเช่นเคย หนูเลยต้องหยุดสวดและเลิกร่วมพิธีเพราะคิดว่าการยังร่วมพิธีจะยังนำความหม่นหมองและขุนเคืองใจให้มากกว่าการกระทําเช่นนี้ความรู้สึกหงุดหงิดนี้เป็นบาปไหมเจ้าคะกราบขอบพระคุณพระอาจารย์คะ่ะเราไม่บาปหรอกมันแสดงว่ามันไม่ถูกกับจิตของเราเองจิตของเราชอบความเงียบความสงบเราอยู่คนบ้านคนเดียวเราสวดของเรวเองก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องไปสวดทุกคนเลย คุณชลธน์ครับการเรียนถามพระอาจารย์เรื่องความเห็นผิดกับความเข้าใจผิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรคะก็เหมือนกันอ่ะมันผิดน่ความเข้าใจผิดก็ความเห็นผิดมันก็เช่นเห็นสุนัขว่าเป็นแมวอะไรเงี้ยเรื่องความเข้าใจผิดก็เปิดเข้าใจาเชื่อว่าสุนัขมันเป็นแมวเหมือนกอันเดียวกันนะมันเป็นศัพท์ภาษาแต่นั้นเองความหมายก็คือไม่ได้เห็นถูกต้องตามความเป็นจริง คุณบัวครับเราควรจะอธิษฐานถึงพระนิพพานในชาตินี้ไหมคะหรือแค่อธิษฐานลอยๆว่าขอให้ถึงพระนิพพานในอนาคตการอันใกล้ครับสาธุพระอาจารย์ครับไม่ให้ขอไม่อธิษฐานพระนิพพ า, านให้มา ใ, ให้อธิษฐานที่มรรคแปดขอให้ได้ปฏิบัติมรรคแปดขอให้ปฏิบัติทานสิ่ภาวนาให้เต็มร้อยอันนี้ตัดหักที่จะพาเราไปสู่พระนิพพาน ขอสอบถามพระอาจารย์ค่ะถ้าเราทำบุญโดยให้ตัดบัญชีทุกเดือนเราจะได้บุญเหมือนที่เราทำเองเลยในปัจจุบันหรือเปล่าคะได้เหมือนกันบริกรรมพุโทโธแล้วบางครั้งมีความรู้สึกเหนื่อยบางทีเหนื่อยมากจนเลิกนั่งไปทําให้ไม่มีความมั่นใจในการเปลี่ยนมาดูลมจริงๆแล้วสาเหตุที่เวลาทุกคนที่พุโทโธแล้วเหนื่อยเป็นเพราะความอยากให้ใจสงบหรือเปล่าคะ หรือว่าอาจจะบริกรรมเร็วไปคือกลัวว่าความคิดจะเกิดถึงความคิดไม่เกิดก็บริกรรมไม่ช้าพอดีหนูมีโรคไม่สบายอาการบางวันดีบางวันไม่ดีบางวันจะเหนื่อยจนออกกำลังกายไม่ไหวตอนนี้เลือกไม่ถูกว่าจะเอาอย่างไรจับพุโทโธหรือดูลมหนูรู้สึกว่าอินทรีย์ห้านี่ยังไม่แก่กล้าสงสัยและไม่แน่ใจกับวิธีการมากๆเลยค่ะท่าเหนื่อยก็ลองหยุด เราดูว่าเราคิดหรือไม่คิดแล้วกัถ้าคิดก็บริกรรมต่อถ้าไม่คิดก็ดูนั่งอยู่เฉยๆไปนั่งดูความดูดูใจว่าคิดหรือไม่คิดก็ได้ถ้าเราดูลมไม่ได้ก็ไม่ต้องดูลมดูใจเลยก็ได้ดูใจว่าเรากำลังคิดอยู่หรือเปล่าถ้าไม่คิดแล้วก็ดูมันไปอย่างนั้นดูความไม่คิดไปแต่ถ้ามันคิดเมื่อไหร่เราก็ต้องใช้คาบริกรรมห้วย หลวงพ่อเจ้าคะการปฏิบัติธรรมด้วยศีลสมาธิเจริญสติและภาวนาสนหรับคารวะนั้นสุดโต่งไปก็ไม่ได้หลาหลวมไปก็ยิ่งไม่ได้อย่างไรจึงเกิดความพอดีกับคารวะที่ต้องให้เข้ากับสภาวะแวดล้อมในปัจจุบันและอนาคตเจ้าคะคือแต่ละคนนี่มีภาวะรือมีกำลังที่จะทำปฏิบัติไม่เท่ากันแต่ละคนนี่ต้องมีมัชฌิมาของแต่ละคน เราปฏิบัติได้เท่าไหร่เราก็ปฏิบัติไปเท่าที่เราปฏิบัติได้เราไม่ทำไปวัดการปฏิบัติของเรากับผู้เหมือนกับคนที่เขาวิง่งเขาหัดวิ่งแข่งขันบางคนก็วิง100่งร้อยเมตรบางคนก็วิง500่งห้าร้อยเมตรบางคนเ้าวิ่งมาลาทอนอันนี้ต้องดูกําลังของผู้ผู้ปฏิบัติ answered. ตอนเองปฏิบัติได้เท่าไหร่ก็ปฏิบัติไปเท่าที่เราปฏิบัติได้ทําให้มันสุดกําลังคือพูดง่ายๆ แต่ไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นขอสอบถามพระอาจารย์ครับคนไข้หนักเก้าสิบเปอร์เซ็นตแต่คนไข้พูดออกมาว่ากูยังไม่ตายจะเอาฟืนมาเผากูทำไมทำไมถึงรู้ล่วงหน้าครับเขายังไม่ตายก็จะทำไมจะไม่รู้อนะ่ะคนเราไม่ตายก็ไม่ตายนะครับคุณชนินครับเคยเข้าสมาธิแล้วได้สติปัญญาออกมาด้วย อุเบกขากับสิ่งต่างๆที่กระทบแล้วใช้ปัญญาพิจารณาในการดำเนินชีวิตแต่พองานยุ่งก็ไม่ได้ทำบ่อยๆตอนนี้มีเวลามากขึ้นก็นั่งนานบ้างไม่นานบ้างแต่ก็นั่งแป๊บเดียวไป 1-2 ชั่วโมงแต่ออกสมาธิมา ก, ก็ไม่ได้ความสงบและสติออกมาด้วยทำอย่างไรถึงจะได้แบบเดิมครับหรือว่าทำแบบนี้ต่อไปต้องพิจารณาส่วนไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ ก็จิตไม่สงบนั่นนะถึงแม้จิตจะนั่งไปสองชั่วโมงแต่ยังไม่สงบจาก<อ>เริมจากการนั่งมันก็ไม่มีควาสมสงบติดมาด้วยต้องพยายามนั่งให้มันสงบให้มันนิ่งจริงๆแล้วสงบจะน่งนต้องมีสติจดจ่ออยู่กับอารมณ์พุทโธหรืออยู่กับลมหายใจเพียงอย่างเดียวแล้วจิตมันจะดิ่งลงเข้าสู่สมาธิอย่างนั้นนะถทีจะได้ความน่งความสงบ แล้วเวลาออกมามันก็จะความนิ่งความสงบนี้มันก็จะติดมากับใจอยู่ระยะนึงแล้วสั้นๆมันก็จะหมดถ้าเราอยากจะให้มันนิ่งใหม่เราก็ต้องนั่งสมาธิใหม่คุณลำดวนครับเวลานั่งสมาธิแล้วมักจะหลับจะต้องทำอย่างไรดีคะลูกเืนมาเดินหรือ ว, <ม>ว่าสาเหตุของการหลับก็คือ เกิดจากการรับประทานอาหารมากเกินไปสําหรับผู้ปฏิบัตินะสาหรับผู้ไม่ปฏิบัติก็คงยังไม่มากแถ้าเราต้องการปฏิบัติธรรมนี่เราต้องลดการรับประทานอาหารให้น้อยลงจากจากระดับที่เราไม่ได้ปฏิบัติอั้นต้องเช่นพระเจ้าสงสารว่าทาแค่สองมื้อก็พอเนาะไม่กินหลังเที่ยงวันไปแล้วเป็นต้นคุณชนรดาครับสอบถามพระอาจารย์ค่ะ บางครั้งจะมีสภาวะโลกภายในภายนอกเสมอกันคือเห็นเป็นแค่อะไรบางอย่างไม่มีค่าอะไรมีค่าเท่ากันคืออันนี้เราเห็นความจริงใช่ไหมเจ้าคะใช่เราเห็นโดยปรา จ, จากความคดปดบงแต่งไปให้คุณค่าของแต่สิ่งต่างๆว่าสิ่งต่างๆเป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดแล้วดับ ไ, ไม่ได้ให้คุณให้โทษแก่จิตใจ กาบเรียนถามท่านอาจารย์ถ้านั่งสมาธิเข้าได้แล้วจิตเราจะออกจากตัวเราใช่ไหมคะไม่ออกหรอกคือจิตกับร่างกายนี่ไม่ก็จะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วจิตเพียงแต่ถอนวิญ ญ, ญาณออกจากร่างกายไปชั่วข่าวโดยธรรมดาจิตนี่จะส่งวิญ ญ, ญาณมาเกาะที่ตาหูจมกูกลิ้นกายแต่พอเรานั่งสมาธิเวลาจิตสงบนี่วิ ญ, ญญาณก็จะพักการทํางานชั่วข่าว ก็เหมือนจิตกับร่างกายจะแยกออกจากกันการรู้ตัวอยู่เรื่อยๆเวลาทํางานว่ากําลังทําอะไรอยู่คือมีสติในการทํางานทุกขณะอยากถามพระอาจารย์ว่าถ้าทําได้แค่นี้จะสามารถบรรลุธรรมได้ไหมคะลงบรรลุด้วยการนั่งสมาธิให้จิตรวมก่อนแล้วจิตเมื่อจิตรวมในอุอเบฏฐาแล้วก็ ออกจากสมาีิมาก็เอาจิตที่มีอุเบกขานี้นพิจารณาปัญญาต่อพิจารณาว่าทุกสิ่งที่อย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราก็จะบรรลุทำได้พราที่ท่านทาวัตถุมงคล ต, ต่างๆแจกเป็นพระอาหารหันต์ใหม่ครับไม่เกี่ยวกันพระธรรมดาก็ทำได้พระหลานบางรูปท่านก็ทำนะเจตนาของแต่ละองค์นี่ไม่เหมือนกัน ทาที่เป็นท่าหลานนี่บางทีท่านก็ทําเพื่อที่จะเป็นการให้เป็นขอให้เป็นของกําลังใจไม่ได้ให้เพื่อที่จะไปเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องภยัภยภยัภยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงมีให้เป็นเหมือนกับเป็นการเจริญสติมีพระพุทรูปอะไรมีมีพระห้อยคออะไรนี้เป็นเป็นการให้เราเตือนว่าเราต้องปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้านะ อะไรทำองนี้ท่านทำแบบนี้แต่ถ้าไม่ได้ทำแบบแบบให้เป็นวัตถุวงการภัยต่างๆเพราะป้องกันไม่ได้ร่างกายไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใจในที่สุดก็ต้องตายกันด้วย ก, กันทุคกรรนคน ค, ค, <c oughs> คุณแฮร์รี่ถามว่าเจ้ากรรมนายเวรคือใครครับก็เราเนี่ยแหละผู้ที่กระทำกรรมแก่ผู้ เราไปสร้างความเสียหายเดือดร้อนให้กับผู้พู่นผู้อื่นเขาก็มาจองเวรจองกรรมเรานคุณวริยาการเรียนถามเจ้าค่ะการฟังสวดมนต์เช้าผ่าน youtube และสวดตามไปด้วยและแต่งหน้าไปด้วยได้ไหมคะได้แต่มันจะไม่ได้ความสงบเท่าที่ควรถ้าจะแต่งหน้าก็ก็แต่งดีกว่าแต่งทาอย่างใดอย่าง จะได้จะได้ผลดีกว่าอยูการทำทั้งสองอย่างพร้อมกันถ้าอยากจะให้จิตสงบจากการสวดมันก็เั่งสวดมนต์ไปก่อนแล้วเลิกสวดมนต์แล้วค่อยไปทางแต่งหน้าอย่างเดียวต่อเลยจะได้ไม่พังเผอบางทีไปมัวแต่สวดมนต์บางทีแต่งหน้าไปอาจจะแต่งแบบผิดๆิดถูกกก็ได้คุณซุปตาครับ หนูนั่งสมาธิได้วันละสามสิบนาทีมาได้หนึ่งปีและก็เพิ่มมานั่งช่วงเช้าอีกสามสิบนาทีแต่จิตก็ยังฟุ้งอยู่พอรู้ตัวก็พยายามดึงสติมาแต่ไม่เคยท้อพยายามอยู่ค่ะหนูอยากทราบว่ามันจะยังพอได้ประโยชน์ไหมคะขอคําแนะนําค่ะก็มันก็ได้ประโยชน์ในระดับที่เราได้นะั่นแต่ให้มันได้ประโยชน์มากกว่านี้เราก็ต้องเจริญสติให้มากกว่านี้ คุณสานิกาครับกลับเรียนถามพระอาจารย์ค่ะการทําการุณนะข้บาปไหมคะบาปจะอยู่ที่ใครผู้อนุญาตหรือผู้ลงมือทําคะบาปด้วยกันทั้งคู่ผู้สั่งและผู้ทํตาตามคําสั่งก็บาปอย่าทําการฆ่าสัตว์ไม่ว่าด้วยสาเหตุเตุผลอันใดนี่ถือว่าบาปทำนั้นไม่มีข้อยกเว้นคุณติ๊กครับ เวลานั่งสมาธิมีอยู่หนึ่งครั้งที่จิตสงบมากตัวเบาขนลุกมีความรู้สึกกลัวรีบออกจากสมาธิกระผมต้องทําอย่างไรต่อครับในการนั่งสมาธิก็บอกตัวเองว่ามันไม่มีพิษมีภัยอะไรความสงบความเข็ดนี่เป็นมีคุณมีประโยชน์นั้นข่าวต่อไปก็ตั้งหลักไว้วพรามันสงบมันก็พยายามใช้สติรับประคองให้ตั้งอยู่ในความสงบไปเรื่อยๆไม่ต้องไปตื่นเต้นตกใจ กราเเรียนถามพระอาจารย์ค่ะสืบเนื่องจากคาถามเรื่องการเข้ากราบพระอริยสงฆ์เจ้าค่ะถ้าการเข้ากราบแต่ไม่ม ไ, มได้ฟังธรรมอย่างนั้นฟังธรรมผ่านทางออนไลน์แล้วได้ปัญญาจึงได้ประโยชน์กว่าการเข้ากราบถึงตัวท่านแต่ไม่ได้ฟังธรรมใช่ไหมคะถูกต้อง สอบถามค่ะว่าตอนที่นั่งสมาธิภาวนาพุโทโธพอถึงจุดหนึ่งเหมือนสมองโล่งและเริ่มคิดถึงคําสอนเช่นเมื่อสักครู่นึกถึงหลักไตรลักษณ์ระหว่างนั่งสมาธิเหมือนนั่งคิดทบทวนความรู้ค่ะถ้ามีภาวะเช่นนี้หนูมาถูกทางไหมคะไม่แน่ใจค่ะว่าเป็นจิตฟุ้งไปเองหรือเปล่าคือในช่วงที่เรานั่งสมาธินี้เราอยากเพิ่มเป็นคิดทางปัญญา ถมงแม้ว่าจิตจะล่อจะเบาจะสว่างก็พยายามรักษาความร่อมความเบาความสว่างนี้ให้มันอยู่นา น, าน<ๆ>เพื่อที่เราจะได้เอามาใช้ตอนที่เราออกจากสมาธิมาเพราะเวลาออกมาความร่อมความเบ า, คว า, เบาความสว่างมันยังจะตกทางอยู่ในใจเราก็สามารถนำเอาไปคิดทางปัญญาได้ต่อไปในขณะเวลานั่งเราเานั่งนี้เราไม่ควรที่จะไป คิดอะไรเพราะมันจะไปทไําลายความโ่วมความสว่คงที่เราพยายามสร้างขึ้นมาเราคนที่จะรักษามันด้วยสติให้มันโล่งให้มันสว่างเป็นานานๆก่อนแล้วพอเ ร, เราออกจากสมาที่มาแล้วทีนี้เราจะพิจารณาทางปัญญาและพิจารณาได้คําถามนี้ไม่จบนะครับอาจารย์ จำเป็นต้องทำงานร่วมกับคนที่ชอบโทษคนอื่นและสิ่งต่างๆเช่นว่าหัวหน้าและเจ้านายไม่ดีสารพัดแต่ว่ารับหลังครับรวมถึงโทษเราด้วยค่ะโดยที่เขาไม่คิดว่าขนาดเราเองยังแทบเอาตัวเองไม่รอดจะไปช่วยเขาได้อย่างไรแทนที่เขาจะพูดกับหัวหน้าหรือเจ้านายตรงๆแต่กลับมาพูดกระทบเราเพราะเราเป็นญาติพี่น้องของเจ้านายเราควรวางใจอย่างไรกับเพื่อนร่วมงานแบบนี้คะบางทีหนูกลัวว่าจะอดปากตัวเองไม่ไหว แล้วตอบกลับไปให้เขาได้สติว่าถ้าอะไรอะไรไม่ดีทําไมไม่ลาออกซะแต่ก็กลัวจะเป็นเวรกรรมคําถามจบแค่นี้ครับก็ฟําด้วยความเมตตาและอุเบกขาคือเมตตาฟังเขาให้เขาเระบายไปแล้วก็ไม่อุเบกขาฟังเฉยๆไม่ต้องไปพูดอะไรมีคําถามว่าดื่มเหล้านี้ต้องตกตกนรกจริงไหมครับไม่จริงหรอก การดื่มเหล้านี้ไม่ได้ทําให้คุณตกนรกนะแต่การดื่มเหล้านี่จะไปทําให้คุณทําบาปที่จะทําให้ไปตกนรกต่อไปยังคนส่วนใหญ่นี่เวลาจะทําบาปกันมักจะดื่มสุรายาเมากันพวกที่เสพเหตุการณ์เนี่ยเสพประพฤติผิดโปรเนียกาจะมีความที่อายแต่พอดื่มสุราเข้าไปแล้วความที่อายมันจะหาความหน้าด้านมันจะเข้ามาทาให้เขากล้าวทาในสิ่งที่ ในขณะที่เขาไม่เมานี้เขาไม่กล้าทำกลับเลี้ยนถามพระอาจารย์ค่ะมีความหงุดหงิดกับคนใกล้ตัวเสมอควรฝึกปฏิบัติตนอย่างไรดีคะก็เราไปหวังไปอยากให้เขาเป็นอย่างที่เราต้องการนั่นเองแล้วพอก็ไม่เป็นเราก็เลยหงุดหงิดต้องทําความเข้าใจว่าเขาเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศแลวอย่าไปหวังอะไรจากเขาเขาเป็นอนัตตา เป็นเหมือนดินฟ้ากับฝนจะตกแดดจะออกนี่เราไม่ค่อยดหนิดกับเขาเพราะว่าเรารู้ว่าเราไปหวังอะไรจัดเขาไม่ได้ดาคนที่เราโหนิดก็เป็นแบบนั้นเรามักจะไปหวังให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้กูเขาไม่ได้เป็นดังที่เราหวังแล้วก็โหนิดได้เ็นเราต้องแก้ที่ตัวเราอย่าไปแก้ที่เขาแก้ที่ความหวังของเราอย่าไปหวังันได้และอย่าไปหวังไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แล้วใจของเราก็จะสบาย เรียนถามผ้า อ, อาจารย์ค่ะกรณีเปิด y o u t u ู e ฟังเสียงสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนแล้วหลับไปก่อนจบบททุกทีถือว่าเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีคะก็เป็นยานอนหลับแต่ไม่ได้ถ้าไม่ได้ประโยชน์ทางทางจิตใจไม่ได้สติไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาไทยอะไรกราบเรียนถามค่ะฝึกเจริญสติมาสักระยะค่ะแต่ดูเหมือนถอยหลังเข้าคลอง จูจ่ๆก็ตกพวังหลับโดยไม่รู้ตัวไม่มีสั ป, ปะงกนิ่งไปเฉยๆนะคะไม่อยากให้เป็นแบบนี้เลยทำอย่างไรดีคะอ๋อนิ่งอแบบนี้ดีถ้ามีสติรู้ตัวอยู่ว่านิ่งแสดงว่านี่แหละคือสมาธิ่ต้องทำอย่างนี้ให้มันมากๆให้มันตกผวังแบบนี้ให้มากๆแต่อย่าตกผวังแบบไม่รู้เรื่องเลยแสดงว่าตกผวังหลับ ผักษะทําให้เกิดเวทนาเมื่อเราหลีกเลี่ยงการพบปะพูดคุยกับบุคคลที่ทําให้เราทุกข์จึงเป็นสิ่งที่ถูกต้องใช่ไหมคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะไม่ใช่เป็นส่วนที่ควรจะทําอย่างท้าวรเราหลีกเลี่ยงภัสสะนี้เพื่อที่เราจะได้อ่าไปทําจิตใจของเราให้สงบเพื่อสร้างพลังขึ้นมาให้เรามีกําลังที่จะมารับกับภัสสะต่างๆได้อย่างไม่สะทรกสะทานต่อไป ว่าถ้าเรายังอยู่ในโลกนี้อยู่เรานี้ผัดสาไปไม่ได้กราบนมัสการพระอาจารย์ครับอยากทราบว่าตอนนี้ข่าวที่ดังมากในช่วงนี้เกี่ยวกับหลวงปู่ที่มีนักข่าวหรือผู้คนทั้งหลายไปด่าว่าจาบจ้วงท่านพูดว่าร้ายท่านในทางเสียหา ย, หายแต่ท่านไม่คิดโกรธแถมยังมีเมตตาแก่คนพวกนั้นแต่คนที่ไปว่าด่าท่านได้รับกรรมดทันตาที่เห็นคือโดนไล่ออกจากงาน จึงอยากทราบว่าคนที่ไปด่าว่าและจับจ้วงท่านซึ่งเป็นพระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสายลูกศิษย์หลวงปู่มั่นคนจําพวกนี้ตายไปจะตกนรกไหมครับเห็นข่าวล่าสุดพากันไปขอขอมาหลวงปู่แล้วผลกรรมที่เขากระทาไปจะหายลบล้างได้ไหมครับคือการที่ไปตามาท่านจะแสดงว่ า, าเราไม่เคารพไม่เชื่อฟังท่านนั่นเองเราก็จะไม่ได้รับประโยชน์จากท่าน แต่มันไม่ได้เป็นเหตุที่จะทําให้เราไปนรกสหตุที่จะทําให้เราไปนรกก็คือเมื่อเราไปทําบาปฆ่าสัตว์รักท ร, รพัรพย์พูดผิดอะไรนีพูดผดเนื่อ<ม>งแต่การที่เราไม่ไม่เชื่อศรัทธาในพระที่มีนคนุณธรรมสูงเราก็จะไม่ได้ยินได้ฟังธรรมจากท่านแล้วก็จะทําให้เราไม่รู้ว่าการกระทําบาปนี้เป็นงานกระทําที่ไม่ถูกเราก็อาจจะไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ล้านั่นแหละจะทำให้เราไปตกนรกต่อไปตั้งใจจะละสังโยชน์สามบวกนั่งสมาธิถ้าหากอยากมั่นใจว่าตายไปนิพพานแน่ๆขอเร่งรัดไม่คิดถึงบาปที่เคยก่อแล้วก็ถือศีลห้ารับแต่บุญคิดถึงบุญแต่บุญแบบนี้จะได้สมาธิกับช่วยให้ละสังโยชน์สามได้ไวขึ้นหรือเปล่าครับ แล้วก็คิดถึงร่างกายที่ไม่สวยแล้วแต่ก็คิดจะมีแฟนแต่ไม่ได้คิดเข้าหาไว้วๆแล้วครับแต่คิดว่าเดี๋ยวเนื้อคู่บา ร, รมีคงมาเจอกันเองแต่เมื่อเห็นผู้หญิงเราก็มองว่าของไม่สวยนะแบบนี้ครับใช้ได้หรือเปล่าครับกลาบอาจารย์ได้ครบรบแนะนําสิทธิ์ด้วยครับก็ได้นิดหน่อยนะทำไม่พอเพราะจิตนี้คิดวันนี้คิดอย่างนึ่งเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คิดอีกอย่า ง, งได้ เราต้องสามารถทาให้จิตนี้มันนิ่งสงบมีความอิ่มมีความพอในตัวมันเองแล้วมันก็จะคิดไปในทางธรรมะได้อย่างถาวรต่อไปแต่ถ้าจิตยังไม่นิ่งไม่สงบไม่อิ่มนี่พอเวลามันถีวขึ้นมาความคิดที่ว่าจะไม่เสพกามไม่เสพคุณไม่มันจะหายไปหมดพอเวลามันหิวขึ้นมามันอยากขึ้นมานี่มันเหมือนคนง้ามืด การเจริญสติการทำสมาธิขณะนอนได้ไหมคะก็จะได้นอนจะได้หลับแต่ไม่ได้สมาธิถ้าอยากจะได้สมาธิต้องอยู่ในท่านั่งขอหลักธรรมใช้ในชีวิตและการทำงานเพื่อให้ไปในทางที่ถูกเจ้าคะ่ะก็ให้มีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทน มัาก็มีความเมตตาต่อบุคคลบบต่างๆที่เราเกี่ยวข้อมด้วยคุณเนตบอกว่าคำถามต่อเนื่องเรื่องปวดตอนนั่งสมาธิค่ะคือหนูเข้าใจว่าการจะเข้าถึงอั ป, ปนาสมาธิได้นั้นต้องรวมจิตเป็นหนึ่งโดยมีแค่สองเทคนิคเท่านั้นคือดูลมกับใช้คำบริกรรมแต่ที่ฟังผ้าจา์ตอบว่าใช้วิธีพิจารณาได้แปลว่าการใช้วิธีพิจารณานี้ถ้าใช้เป็น ก็ช่วยให้จิตเข้าถึงอั ป, ปนาสมาธิได้ใช่ไหมคะถูกต้องต้องสอบถามต่อเนื่องค่ะจิตไม่มีการแก่ควรปฏิบัติหรือใช้หลักธรรมข้อใดเพื่อให้ยอมรับวัยที่สูงขึ้นคือใจยังรักสนุกยังรู้สึกไม่แก่ยังอยากเที่ยวอยากเล่นอยู่ครับนันแหละวืใจมันไม่แก่มันก็นยังเป็นหนุ่มนแล้วร่างกายมันแก่ เราก็ต้องเตรียมตัวรับกับสภาพของร่างกายที่แกแ่ๆที่จะไม่สามารถตอบสนองความต้องการของเราได้ตอนนั้นถ้าเราไม่รู้จักใช้วิธีหาความสุขแบบอื่นเราก็จะเครียดอาจจะซึมเศร้าได้เราต้องหัดมาใช้วิธีการปฏิบัติธรรมเพื่อหาความสุขทดแทนเพราะร่างกายเราไม่สามารถตอบสนองโจทย์ของเราได้ไปตลอดมันข้างหน้ามันจะบอกไม่ไหวแล้ว กินก็ไม่ไหวจะเที่ยวก็ไม่ไหวไม่มีเลี้ยวไม่มีแรงมีโรคภัยต่างเปลี่ย น, นนั้นถ้าคุณมีวิธีหาความสุขแบบทดแทนได้คุณก็จะไม่เดือนร้อ น, นให้เรามาหาความสุขแบบทดแทนคือการสึกสตินั่งสมาธิเองเวลานั่งสมาธิพอนั่งไปสักพักรู้สึกตัวลอยแล้วเหมือนมีความรู้สึกกดจมูกเป็นอะไรไหมคะ ามันเป็นอาการของจิตไม่ต้องไปสนใจทำให้เรามีสติอยู่ครับถึงที่เราใช้ถูกถูกมาจิตใจจะเป็นลมก็ได้เป็นปุ๊บโตก็แล้วแต่ให้อยู่กับอารมณ์นั้นไปไม่ต้องไปสนใจครับสิ่ง อ, งอที่ปรากฏขึ้นมากราบเรียนถามพระอาจารย์ค่ะเท่าที่เคยได้ยินก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเทวดาที่มีฤทธิต์ต่างๆรวมถึงในพุทธศาสนาเราด้วยถ้าหากเทวดามีฤทธิ์ที่จะช่วยเหลือสิ่งใดๆได้เช่นนั้น จะรบกวน ร, ระบบกฎแห่งกรรมหรือไม่คะเช่นการร้องขอจากมนุษย์เทวดาจะช่วยได้จริงหรือคะกลับขอบพระคุณเจ้าค่ะคือฤทธ์ต่างๆนี้มันเป็นเรื่องของมันไม่ได้เป็นเรื่องของการที่จะไปช่วยหลือคนนั้นช่วยเหลือคนนี้เรื่องไปห้ามวิบากของคนนั้นของคนนี้ฤทธ์ต่างๆนี่มันเป็นเรื่องความสามารถพิเศษเช่น อ, อ่านใจคนอื่นได้ เราลึกชาติได้ ล, ลึกถึงอะไรอ่ะึกไม่ออกก็ต้องไปเปิดดูดิลิ ล, นลานี้ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องหรือไปไ ป, ไปเกี่ยวกับการรับุลของกรรมใด้คุณจุธามาถามบอกว่าใส่บาตรทุกวันกับฟังสวดมนต์จะได้ผลบุญไหมคะถ้าพระองค์นั้นไม่เคร่งไม่สำรวม อได้บุญก็ลย อ, อยาก็หมายว่าเวลาใส่บาเนี่เราได้บุญที่เกิดจากการเสียสละแบ่งปันไม่ว่าเราจะใส่ให้กับพระเข่งหรือไม่เเข่งก็ได้บุญเท่ากัน น, นี่หรือแม้แต่ให้สุนัข ก, ก็ได้เท่าเท่ากันไม่ได้อยู่ที่ผู้รับอยู่ที่การเสียสละแบ่งปันของเราถ้าเราเสียสละแบ่งปันมากเราก็จะได้บุญมากเสียสระแบ่งปันน้อยเราก็จะได้บุญน้อย มีวิธีจัดการกับการรักในกามหรือหลงรูปลักษ์ร่างกายมีวิธีแก้แบบยาแรงไหมครับแนะนําวิธีปฏิบัติอสุภกรรมฐานแบบหักดิบหน่อยครับก็ไปดูเขาผ่าศพเลยในที่โรงพยาบาลที่ก็สอนสสนักศึกษาแพทย์มันข้าเขา้เขาไปดูเวลาที่เขาสอนสสนักศึกษาแพทย์ให้เห็นอวัยวะต่างๆภายในร่างกายเราจะได้เห็นความไม่สวยงามของร่างกายแล้วเราจะได้ ไม่หลงกับความช่วยงานที่เป็นผิวเผินเท่านั้นเองกราบนมัรสการพระอาจารย์ค่ะจิตที่อยู่สมาธิที่นิ่งสงบมากเราจะไม่ได้ยินเสียงใดๆเลยใช่ไหมเจ้าคะก็เป็นได้สองแบบแบบได้ยินเสียงแลวแบบไม่ได้ยินเสียงแต่จิตจะไม่ไม่มีความรู้สึกปฏิกิริยาต่อสิ่งที่ได้ยินไม่ลำคาญ อยากทราบว่าพระสงฆ์ที่เราจะกราบเป็นพระที่ไม่ดีแต่เรากราบด้วยมารยาทแต่ใจไม่อยากกราบเราจะเสื่อมจากศีลสมาธิปัญญาหรือเปล่าเจ้าคะไม่ค่อยสบายใจเลยเจ้าค่ะไม่ไม่ไม่ไม่เสื่อมแล้วไม่ไม่ไม่เป็นไรเป็นมารยาทบางทีเราเจอคนที่เราไม่ชอบรู้ว่าเขาไม่ดีแต่เขาเป็นผู้บังคับบัญชาเราหรือผู้เป็นให้คุณให้โทษกับเราเราก็ต้องแสดงความเคารพกับ น, นี่เป็นเรื่องกิเลสและเรื่องใจของเรานี่ยมันไม่ไปชื่นชมยินดีเขาไม่ไปหลงคิดว่าเขาเป็นคู่พิเศษคู้ดีแต่อย่างไรไม่เสียหายมันไม่นำมาทําลายกับคุณงามความดีต่างๆที่เรามีอยู่พอฝึกดูใจดูกายแล้วเห็นสภาวะเหมือนมีเมฆหมอกมาปกคลุมตัวจะแก้อย่างไรดีคะก็ไม่ต้องไปสนใจมัน ในดูดูกายดูใจต่อไปร่ากกายดูข้อขาทั้งสองข้อร่างกายไปใจไม่เรื้องต้นนี้ไม่ต้องไปกันวนงวลกับมันมากให้ดูร่างกายไปก่อนให้ลอนทำความเข้าใจแห้รู้จักเรื่องของร่างกายไปก่อนเพื่อเราปล่อยวางร่างกายให้ได้ก่อนเราถึงจะไปดูใจได้อย่างได้อย่างเต็มที่คุณแม่ไม่สบายฝากถามว่าเวลาเจ็บปวด แยกกายและจิตยอย่างไรดีคะก็กายไม่ใช่ตัวเรา ấy. เราเป็นเพงแต่ผู้ดูแลร่างกายเราเป็นเหมือนหมอเป็นพยาบาลเวลาร่างกายไม่สบายก็เป็นคนป่วยคนไข้ก็มาหาหมอเราเป็นผู้เป็นหมอแล้วก็พาไปรักษาสถานการเจ็บจะปวดไงก็เป็นเรื่องของร่างกายไม่ใช่เรื่องของใจใจก็เป็นเพียงแต่ผู้รับรู้รเฉยๆอย่าไปอยาก ถ้าพยายามให้่างารเก็บให้ไปใจจะทุกข์ขึ้นมาทันทีกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับอิทธิปาติหารฤทธทางใจมีจริงไหมครับเคยได้ยินเขาเล่ากันมาและสูงสุดของการปฏิบัติธรรมคืออะไรครับคือเป็นความสามารถพิเศษถ้าอยากจะรู้รายละเอียดต้องค้นหาในกู o ก l e ก็ได้อิทธิฤทธปาติหารแต่ท่าที่เราได้ยิน เข้าใจก็มีในเรื่องของการรับลึกชาติได้การอ่านวารจิตความคิดของผู้ได้การติดต่อกับกายคิดได้การมีความสามารถในการแสดงธรรมนี่เรื่องเป็นปฏิหารในในที่แสดงไว้แต่เรื่องหเอเหินเดินอากาศผู้ดําดินพวกแยกกายนี้ก็มีแสดงไว้แต่เราก็ไม่ทราบว่าจริงๆเท็อย่างไร ได้ยินว่าเวลาปฏิบัติต้องนะครับครับอาจารย์ครับก็บไม่เป็นประเด็นสําคัญเรื่องที่ปฏิหารไม่มีปิที่ปฏิหารก็ไม่ไม่เป็นการของการการปฏิบัติเพื่อบ้างคนที่ผ่านใจอย่างไดได้ยินว่าเวลาปฏิบัติต้องเก็บสายตาคือเน้นสํารวมตามากๆตอนไปเข้าคอร์สเนื่องนอกจากเรื่องเจริญสติให้ต่อเนื่อง ครูบอกให้มองลงต่ำตลอดห้ามมองสิ่งต่างๆถ้าไม่จําเป็นรวมถึงสํารวมอายตนะถวารอื่นๆด้วยการที่เก็บใส่ตามองลงต่ำตลอดแบบนี้ถูกไหมคะถ้าสํารวมตาแปลว่าช่วยให้ก้าวหน้าแปลว่าคนอาชีพนักบินหรือคนขับรถจะไม่ค่อยมีโอกาสก้าวหน้าในการภาวนาใช่ไหมคะคือมันไม่เกี่ยวกันะคนที่มีอาชีพต่างๆถ้าเขาต้องการก้าวหน้าทางภาวนาเขาก็ต้องมาภาวนาเข้าปฏิบัติ ถ้าเขามีอาชีพทุกคนถ้ามีอาชีพเําก็จะไม่ก้าวหน้าทางภาวนานี่อยมีอาชีพเดียวที่ทําให้เราก้าวหน้าทางภาวนาก็คืออาชีพนักบวชนี่ครับกาเปียนถามท่านอาจารย์นั่งสมาธิจิตเราออกจากร่างกายเราและววิญญาณคนอื่นจะเข้าร่างเราไหมคะแล้วเราจะเข้าร่างเราไม่ได้รู้สึกกลัวค่ะอ๋อไม่ได้หรอกไม่มีใครจะมาเข้า เข้ามาในร้างของเราได้ในใจของเราได้ใจของแต่ละคนเข้าไปด้วยกันไม่ได้แจะอาจจะมีอิทธิพลต่อต่อใจของเราได้้เขาสามารถติดต่อกับเราและสามารถที่จะพูดนะอะไรกับเราได้นี่เป็นไปได้แต่ว่าเขาไม่สามารถที่จะมาเข้ามาอยู่ในใจของเราได้คําถามสุดท้ายครับพระอาจารย์ครับ กาบนวัตสการพระคุณเจ้าพระอาจารย์สุชาติเจ้าค่ะอยากขอสอบถามพระอาจารย์ว่าในอดีตหลานชายเคยบวชที่วัดจีนแล้วโยมได้นําปัจจัยที่ได้จากแขกที่มาร่วมทําบุญที่เหลือจากในงานบวชมาเก็บไวใ้ใช้ส่วนตัวจะบาปไหมครับเพราะตอนนั้นโยมทําไปโดยไม่ทราบเจ้าค่ะต่อมาโยมมาศึกษาธรรมรู้ว่าไม่สมควรเลยได้กลับไปที่วัดนั้นได้นําเงินปัจจัยที่เคยนําไปใช้คืนให้วัดและได้กล่าวคําขอขอมากรรมที่วัดจีนแห่งนั้นเจ้าค่ะ ไม่ทราบว่าโยมจะสามารถทําอะไรเพิ่มเติมเพื่อเป็นการขอขอมาต่อพระรัตน์ไตรได้อีกเจ้าคะกราบนมัส ก, การพ ร, พระอาจารย์ครับ อ, อ๋อมันไม่บาปหรอกเพียงแต่ว่าเราไม่ได้บุญงินที่เข้ามาร่วมทําบุญนี้เท่าเจตนาก็คือต้องการที่จะมาช่วยให้งานของ น, อ น, น้องนีธทําไปให้สำเร็จลุล่วงในที่เราจะได้ไม่เดือดร้อนเกี่ยวเรื่องการเงินการทองมากขึ้น ช่วยบรรเทาภาระของการทําบุญของเราถ้าเราคิดว่าเรายังมีการจําเป็นที่จะต้องใช้เงินก้อนนี้อยู่เราเก็บไม่ใช้ได้อีกก็แสดงว่าเงินที่เราจะมาทําบุญนี้เราก็เรา เ, าเงินของเรามาเก็บไว้แล้วก็เอาเงินของคนที่เข้ามาทําบุญนี้ไปไปใช้ในการทําบุญแทนเราก็เอาเงินที่ที่เราจะออกมีการทําบุญนี้เก็บไว้สําหรับใช้สดตัวเราไปก่อนไนั้ ถ้าเราคิดว่าเรามีเงินเหลือเฟือเราไม่ต้องการเราก็สามารถยกเงินทั้งหมดที่เราได้มานี้ให้กับการทําบุญทําการจะทำกับวัดไหนก็ได้ทำกับบุคคลไหนก็ได้ครับสุดท้ายมีคนขอกําลังใจครับอาจารย์คุณพ่อผมป่วยเป็นสมองน้อยฝ่อการเดินการพูดมีปัญหาขอกําลังใจด้วยครับอยากให้คุณพ่อหายครับอาจารย์นี่แหละสิ่งที่ทําให้เราไม่มีกําลังใจก็คือความอยากให้ลันหาย เราต้องเอาปัญญาคือความจริงมาสอนใจว่าทุกคนจะต้องแจ่เบเจ็บตายเป็นธรรมดาแล้วเราก็จะมีกำลังใจขึ้นมาครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังกันเยอะเลยครับใน Facebook มีอยู่859คนนะครับใน y o u ู u b บ816คนในขับเฮ e 20คนครับมีเพื่อนๆร่วมฟังธรรมกัน 1,695 คนนะครับอาจารย์ครับ ว่าดีใจที่ไม่ได้ขาดตอนใ น, นสัปดาห์คืนนี้มันต้อคิดว่าจะล้มเหลวแล้วแตได้คิดถึงทางลายได้ก็เลยลองลองเสี่ยงดูว่าทดลองทางลายนี่เราจะเป็นยังไงก็ได้ผลดีครับอย่างน้อยก็ทา ง, งต่อไปถ้าเกิดมีปัญหาอย่างนี้เราก็ยังสามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้ก็หวังว่าเราหน้าคงจะไม่มีปัญหาอย่างคืนนี้อต่ก็ไม่มีอะรแน่นอนถ้เราคิดอย่างนี้แล้วเราจะได้สบายใจกัน ส้าฉลอบคืนนี้ก็คิดว่าพอสมกุ่แก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพิพจิรณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเถอดสาธุข อ, ขอลาท่านผู้ท่านผู้ฟังไปท่านผู้ฟังและคุณหมอไปทีเท่านี้เราถ้าไม่มีอะไรขัดข้องมากกว่านี้ก็คงจะได้พบกันอีกในคราวหน้าอาทิตย์หน้า ครับจรืทอครับกาบขอบพระคุณพระอาจารย์นะครับ